กิเข้าไปนี่แหละเป็นตัวขยายใช่ไหมกาวลิงกรลาหานี่แหละเป็นตัวเพิ่มเป็นตัวขยายแต่โครงสร้างนั้นกรรมเป็นตัวเป็นผู้ให้แต่ตัวขยายขึ้นมาเนี่ยเพราะเราเกี่ยวกับกวลิงกราหานให้ให้อะไรให้รูปให้รูปนั้นขยายก็ดีเหมือนกันนะขยายไปขยายมาเอาไม่อยู่กาวลิงกรลาหานนาอะไรมาให้นําโอชาเป็นที่8ใช่ไหมเมื่อ น, นําโอชาเป็นที่8ให้สังเกต ด, ดูใหม่ๆเป็นกะระหะเนี่ย เล็กนิดเดียวอ่ะแล้วต่อมาโอชานั่นแหละโอชาเป็นที่แดมีดินน้ำไปลมสีกลิ่นรสโอชานั่นแหละหยอดเข้าไปเรื่อยหยอดเข้าไปเรื่อยกลุ่มของกรรมมชรูปจิตแต่ชรูปอุตุชรูปอาหารช่รูปก็ขยายขยายขยายเลยทำไมต้องขยายให้สังเกตดูถ้าไม่มีอาหารเนี่ยตามองเห็นไหม ถ้าไม่มีอาหารสามารถหูฟังเสียงยได้มมันจะอยู่ไม่ได้เลยกรรมมชรูปก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารกิจตชือรูปอุตุเชรูปอาหารชืรูปรวมเบ็ดเสร็จแล้วในสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ได้เลยเวลาจะกินก็ต้องสังเกตดูให้ดีกินไปกินมาเพลินขยายเพลินเอาไม่ไหวเลยประคับประคองอมไม่ไหวเลย ลำบากเลยหนักเลยตนนะี้ภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหาร เ, ออเดี๋ยวเดี๋ยวขดูรวมกันเข้าแล้วบรรเทาความกังวลกวายความหิวได้ด้วยแล้วก็รักษาชีวิตไว้ ไ, วได้ด้วยนั่นอาหารนั่นนะฉะนั้นจะต้องมีทั้งวัตถุที่หยาบด้วยแล้วก็มีโอชาด้วย รวมกันแล้วถึงจะสามารถให้ทั้งชีวิตและไม่ให้ความกังวลกาวายคือความหิวความกระหายด้วยนั่นเองผัสสาหารมโนสัญเจตนาหารและวิญญาณอาหารอภัสโธทุติโย ภาษาทั้งหกเนี่ยจากขู่สัมผัสสะโตโสตสัมผัสสะคานาสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะและมโนสัมผัสสะภาษาทั้งตาภาษาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและก็ภาษาทางใจอ่ะคาว่าภาษาในที่นั้นเป็นชื่อของการประชุมกันของอะไรถ้าทางตาเป็นชื่อของการประชุมกันของของตาคือจากขู่แล้วก็ของสีเพื่อรูปนั่นเองแล้วก็จากขู่วิญญาณธรรมมาสามอย่างนี้ประชุมรวมกันแล้ว ก็ภาษาใช่ไหมถ้าทางทวารหูโสตประสาทคือหูนั่นเองแล้วก็เสียงแล้วก็โสตวิญญาณถ้าทางจมูกก็คือคันาประสาท กลินแล้วก็กานัวิญญาณถ้าทางลิ้นก็คือชิวหาประสาทรสแล้วก็ชิวหาวิญญาณถ้าทางกายก็คือกายยะประสาทโพทธะพะแล้วก็กายวิญญาณถ้าทางใจก็คือมโนใช่ไหมมโนถาวรธรรมารมแล้วก็มโนวิญญาณใช่ไหมนี่เรียกว่าโมโนสัมผัสะสรุปแล้วคือผัสสะเกิดได้กี่ทางได้6ทางเลยก็คือสรุปแล้วคือผัสสะในจิตทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกผัสสะมีจากขู่สัมผัสสะเป็นต้นน่ย เป็นอาหารอย่างที่สองนะก็คืออย่างที่หนึ่งคือเกาลิงกะลาอาหารอย่างที่สองคือผัดสาอาหารในจำนวนอาหารสี่อย่างทีนี้ก็อนในนี้เป็นในการเทศนาเพราะฉะนั้นนะ่ ด้วยเหตุนี้ชื่อว่าไม่ควรแสวงหาคํานี้ว่าอาหารที่สองหรือที่สในอาหารเวลานี้เจตนานั่นเองเรียกว่ามาโนสัญเจตนาอาหารมาโนสัญเจตนาอาหารนี้เป็นตัวกรรมนะได้แก่เจตนาในไห น, หนเจตนาในไห น, หนเจตนาที่ไหนกุศลและอกุศลเงินตุยเมื่อตอนเช้ายังดูอยู่เลยอย่างนีมโนสัญเจตนาอาหารนําอะไรมาจิตดวงใดดวงหนึ่งชื่อว่าวิญญาณอาหารในเรื่องนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าคําถามว่าสัตว์ดํารงชีพยอยู่ได้พอ เพราะปัจจัยดำรงชีพอยู่ได้เพราะอาหารเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุฉะไหนเมื่อปัจจัยของสัตว์ทั้งหลายแม้อย่างอื่นมีอยู่พระองค์กิงทรงตรัสไว้เพียงสี่อย่างนี้เท่านั้นถามว่าปัจจัยทั้งหมดจริงๆมี24เวลาเราไปได้ยินพระท่านสวดเหตุถูปัจจัยโ อ, อารมณปัจจัยโย อ, อธิ ป, ปติปัจจัยโเป็นต้นสรุปแล้วคือตัวปัจจัยนั้นมี24ปัจจัย ในที่นี้ทําไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงปัจจัยมีเพียงสอย่างเท่านั้นก็ให้ทราบบอกว่าพระองค์ตรัสไว้เพราะเป็นปัจจัยที่พิเศษแห่งสันตติที่เป็นภายในก็หมายความว่าอันนี้เป็นการกล่าวถึงปัจจัยที่เป็นพิเศษเนะี่ยสี่อย่างเนี่ยคําว่าอาหารในที่นี้ก็แปลว่าปัจจัยใช่ไหมปัจจัยที่ทําให้ผลและธรรมต่างๆนะ่ะเป็นไปหรือเกิดขึ้นมาได้เนี่ยทีนี้ถ้าไปพิจารณาอย่างนี้ถามว่าอธิบายว่า กาวะลิงปลาลากาวะลิงกราหานเนี่ยเป็นปัจจัยพิเศษของรูปกราบของสัตว์ทั้งหลายผู้มีกาวะลิงกราหานเป็นภักษาก็คือให้พิจารณาบอกว่ากาวลิงกระาหานคืออาหารที่เป็นคำคำเนี่ยเป็นปัจจัยพิเศษแก่รู ป, ปกายของสัตว์นะรูปประกายรูปขันของสัตว์ทั้งหลายในพบภูมิที่มีขันที่มีพบภูมิที่มีรูปประกายเนี่ยนะผู้มีกาวะลิงกราหานเป็นภักษาคือมีอาหารเป็นคำคำเป็นอาหารนั่นเอง จะอยู่ได้เพราะอาหารเหล่านี้ภาษาอาหารเป็นปัจจัยพิเศษแก่อะไรแก่เวทนา3ที่จริงเวทนา6ก็ได้หรือเวทนาทั้งหลายนั่นเองเวทนานับได้ทั้งหลายอย่างเวทนา1ก็ได้ใช่ไหมย่ยมเติรเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108ไม่ไปใหญ่เลยถึงย่อมคำพิสูจกี่เวทนา3แล้วนะ สกเวทนาทุกเวทนาและอุเบกขาวเวทนารู้จากเหตุเกิดของเวทนาไหมผัสสะไงเหตุเกิดทิ้นของเวทนาความดับของเวทนาล่ะผัสสะดับเวทนาดับผัสสะเกิดเวทนาเกิดรู้ของคุณคุณของเวทนาไหยโอ้ยเขาให้สุขไงให้ความสบายและรู้โทษของเวทนาไหมเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปแต่นัดตารู้ความดับของเวทนาไหมบอกผัสสะดับเวทนาดัรู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของเวทนาไหย จะจะทํำยัำยงไงจะหมดจากเวทนาได้ภาริยามักมีองแปะเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับของเวทนทาฉัา้นมโนสังเจตนาหารเป็นปัจจัยพิเศษของวิญญาณผัสสะหารเป็นปัจจัยพิเศษของเวทนาวิญญาณอาหารเป็นปัจจัยพิเศษของนามและรูปจะพิจารณาดูทีสามปัจจัยพิเศษของรูปกายคือกัวริงคาลาหาันปัจจัยพิเศษของเวทนาคือผัสสะหารปัจจัยพิเศษของของวิญญาณ ของวิบากวิญญาณก็คือมโนสังเกตนาอาหารปัจจัยพิเศษของนามรูปก็คือวิญญาณอาหารผู้มีภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้อาศัยอาหารดำรงชีพอยู่ได้ไม่มีอาหารดำรงชีพอยู่ไม่ได้ชั้นใดเหมือนอย่างเวทนาเกิดขึ้นเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยวิญญาณเกิดขึ้นเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยนามรูปเกิดขึ้นเพราะมี วิญญาณเป็นปัจจัยลองพิจารณาดูที่ในโลกนี้มีไหมที่เกิดขึ้นมาลอยๆเอาให้พระเจ้าสร้างเลยมีไหมไม่มีเลยทุกอย่างมีปัจจัยมีเหตุมีสมูทไทยมีแดนเกิดนะัะนะถามว่าในอาหารวาระนี้อาหารอะไรนําอะไรมาให้ตอบว่ากาวะลิงกาลาอาหารนํำรูปมีโอชาเป็นที่8มาให้ก็คือเอาวิ่งโพกรูป8ปนั่นเองดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชาดังที่ได้กล่าวบอกว่าบางครั้งนํามาให้เกิน บางครั้งก็นำมาให้แบบ ข, ดขาดๆหนึ็งเานำมาให้จริงๆนะฉะนั้นในขนาดสมัยเด็กๆแล้วก็ยังเล็กในที่สุดจริงๆก็ค่อยเจริญเติบโตมาตามลำดับนั่นคือ กวลิงกราหารนําโอชารูปมาให้รูปปัจจัยนี้ได้ขยายได้สูงขึ้นจริงๆโครงสร้างเป็นโครงสร้างของคล้ายว่าโครงสร้างของกรัมเช่นว่าขยายใหญ่สุดจริงๆที่เราเห็ น, หนกันอยู่ก็คือช้างหรือป่าวั น, นเล็กสุดๆที่เราพอจะเห็นได้ก็พวกมแมลงวี่เล็กๆนี่เนีอพอจะเห็นได้หรือเชื้อโลกบางชนิดที่พอจะใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูได้นีน่คือเขาให้โอชานี่ยเลยโดยสรุปทั้งหลายสัตว์เหล่านี้นั่นก็คือมีรูปปัจจัยใช่ไหมเมื่อมีรูปปัจจัยแล้ว ก็คือกล่าวว่าลิงกราหานี่นำโอชามาให้นิ่ก็พิจารณาเห็นว่าเนี่ยผัสสะหานนาเวทนาสมาให้สุขเวทนาทุกขเวทนาและอาทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาในตัวอะไรอะไรนะเป็นปัจจัยนํามาให้บอผัสสะหานคือผัสสะเจตสิกนี่เองนํามาให้ใช่ไหมทางตาแหละผัสสะทางตาก็นําสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนามาให้ผัสสะทางหูก็นําสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้ว อุเบกขาเวทนามาให้ทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจก็นําสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวท น, นามาให้นํามาอย่างนี้ยโดยสรุปก็คือว่าตัวผัสสนี่แหละเป็นตัวนําเวทนามาให้มามอบให้มาประเคียนให้มา มาส่งมอบให้เนะี่ยฉะนั้นเวทนานี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขเวทนาพูุทธเจ้าให้กำหนดรู้โดยความเป็นเป็นทุกข์ทุกขเวทนาให้กาหนดรู้โดยความเป็นลูกศออุเบกขาเวทนาให้กำหนดรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยง เมื usted, ่อกเมื่อสามารถกําหนดสุขเวทนาด้วยความเป็นทุกข์หรือรอบรู้สุขเวทนาด้วยความเป็นทุกข์แล้วจะละราคานุสิยเสียได้ถ้ารอบรู้ทุกขเวทนาด้วยความเป็นทุกข์แล้วจะละปฏิคานุสิยเสียได้ถ้ารอบรู้อุเบกขาเวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะละอวิชานุสัยเสียได้ใช่ไหมเพราะไม่รอบรู้ใช่ไหม ที่จะกําหนดยังไงสุขเวทนาให้กําหนดรอบรู้ด้วยความเป็นทุกข์ท่านบอกให้เหมือนกับบริโภคอาหารหรือว่าอาหารต่างๆหรือบริโภคสิ่งของต่างๆเข้าสู่ร่างกายเหมือนเจือด้วยยาพิษเขาให้สุขในเบื้องต้นในขณะที่บริโภคไม่ยอมสมัยแต่เมื่อยาพิษออกฤทธิ์เป็นยังไงเป็นทุกข์ใช่ไหมสุขเวทนาในขณะที่เขาให้มีความสุขไหมถ้าเขาแปลเปลี่ยนไปมีทุกข์ไหมเราเคยมีบ้านตอนนั้นเราสุขใจไหมใช่ไหม ต่อมาบ้านหลังนั้นก็โทมสุดมาตอนนี้เป็นยังไงทุกแล้วใช่ไหมนั่นแหละเขาให้อะไรให้ดูให้เห็นด้วยความเป็นทุกข์พร้อมเป็นพิษเหมือนยาพิษนั่นทุกขเวทนาเหมือนกับลูกศรที่แทงเข้าสู่สรีระในร่างกายว่าไงหรือเหมือนถูกยิงไงในขณะที่ลูกปืนหรือในขณะที่ลูกศรปักเข้าไปในสรีระเนี่ย เป็นทุกข์ไหมลูกศรตั้งอยู่ในสรีล่เป็นทุกข์ไหมพยายามถอดออกก็เป็นทุกข์ไหมฉะนั้นทุกขเวทนานั้นถึงขนาดกาลังเกิดก็เป็นทุกขขณะตั้งอยู่ก็เป็นทุกขแม้กําลังแปลปวนยังเป็นทุกขเลยเมื่อวันวานโดนด่ายังเป็นทุกขใจไม่หายอยู่นี่อุเบกขาเวทนาให้รอบรู้โดยความเป็นของไม่เที่ยงฉะนั้นเขานำอันนี้มาให้เนี่ยฉะนั้นภาษานาเวทนาสามมาให้ชื่อว่านําสุขหรือนําทุกขมาให้นําทุกขมาให้ดีไหมควรขอบคุณไหม ควนขอบคุณภาษามทีนี้กวาริงกราหานเ้านําอะไรมาให้นำโอชาเป็นที่8ใช่ไหมดีไหมนําผมนําขนนําเล็บนําฟันนําจมูกนําลิ้นนํากายนําใจวิ่งพิจารณาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกนี่คือใครนำมาให้กาวาริงกราหานนำมาให้ขอบคุณไหมเออโยนพระาไปเอาดูแลให้ดีนะมันเหมือนกับโยนจมูกให้ยอมสมานคุณยอมสมานอ้าวจมูกไปไปคอยดูแลต้องเช็ดถูด้วยนะต้องล้างวลาสองมื้อ เผอร์เพอบางทีห้าหมื้อด้วยนะจะว่าล้างจมูกอย่างเดียวนี่เขหน้าขอบคุณไหมแต่จะได้คุณได้ประโยชน์ได้การได้หายใจแล้วไปที่ไหนไม่อายก็มีจมูกเขาลิงก์กอาหารมอบให้แต่หูที่ดูแลนี่ให้หูไปสองข้างก็อเอาหูไปแต่มีก็แม้ต้องเช็ดที่หูบ่อยๆนะีให้ฟันไปสามสบสองซี่แต่มีก็แม้ให้ให้ได้เคี้ยวอาหารได้ด้วยนะแต่ต้องดูแลด้วยนะถ้าไม่ดูแลยุ่งนะ ให้ดีสเลดหนองเลือดเหงื่อมันค้นน้ำตาเปรี้ยวมันน้ำลายน้ำโมกไข่ข้อนี่คือโอชาเขาให้มากาวลิงกะาหารให้มาคือมอบแล้วมอบมอบโอชาเป็นที่8มาให้แล้วขอบคุณไม่เน้นพิรยุทธ์นี่แหละกาวลิงกะาหารมอบให้เรานี่คืออาหารไปนั่งตรึกพิจารณาดูแล้วบอกโอ้โหมอบอะไรมาให้เราก็ไม่รู้เนี่ยภาลักษ์เต็มไปหมดเลยใช่ไหมถ้ามอบเพชรมอบทองมาไปค้นดูมันไม่มีเพชรมีพลอยมีของมีค่าในนั้นเลยเนี่ยไปพิจารณาองี้ที่เขามอบมา มาให้เราเนี่ยมอบผมใช่ไหมขนนี่เก้าหมื่นเก้าพันเส้นอมอบมาให้กระดูกเท่าไรมอบกระดูกมาให้เท่าไร เก้ารท น, นเอามอบมาให้บอกเอ้าเอากระดูกไปดูแลด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปนวดอีกแล้วไปโลกระดูกมีเส้นอีกนะมอบเส้นมอบเอ็นมอบอะไรต่างๆเหล่านี้มาให้นี่คือโอชาทั้งหลายเป็นตัวมอบมาเนี่ยนี่คือเรียกกาวริงกาลาหารมอบมาให้ทีนี้ต่อ ป, ประการต่อมาคือวิญญาณอาหารวิญญาเอจิมโนสังเจตนาอาหารนําพสามมาให้นํากามาภบรูปภพและอารูปภพนี่คือการที่จะต้องท่องเที่ยวไปตามภพต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับมีใคร คนเขาใช้เราเนะี่ยเขาใช้บอกว่าวันพรุ่งนี้ไปอยู่ที่นู่นน ะ, ะคุณเป็นข้าราชการใช่ไหมวังหอดใช่เป็นข้าราชการบอกว่าต่อไปคุณย้ายไปอยู่จังหวัดนี้นะแต่ถ้าคุณไปอยู่แล้วคุณต้องไปทํางานด้วยออีกต่อมาคุณต้องย้ายไปอยู่อีกจังหวัดนี้นะปีต่อมาคุณต้องย้ายไปอยู่จังหวัดนี้นะเป็นต้นนะ ตัวโมโนสัญเจตนาหารก็เป็นตัวบอกใช่ไหมเป็นกว่าชี้เป็นตัวกําหนดเลยบอกว่าอ้าต่อไปไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานสานาัตว์นรกเนี่ยเป็นเทวดาเป็นอรุปภมเป็นพรมเป็นต้นเนี่ยตัวโมโนสัญเจตนาหารนำภพสามมาให้วิญญาณอาหารนํานามรูปในปฏิสนธิมาให้ขึ้นในขณะเกิดปุ๊บเนี่ยปฏิสนันธิวิญญาณเกิดขึ้นไอนตัววิญญาณ น, นั้นตั้งขึ้นพอวิญญาณตั้งขึ้นแล้ว เกจสิกเกิดด้วยไหมกรรมชรูปเกิดด้วยไหมยอย่างนั้นเักเรียกนำอะไรมาให้วิญญาณ น, นั้นนำเกจตสิกและ กรรมาชรูปในขณะปฏิสนธิมาให้ถามว่านํามาให้อย่างไรนํามาให้อย่างนี้ก็คือก่อนอื่นก ร, กระวลิ่งกลอาหารเพียงแต่วางไว้ในปากเท่านั้นคือในขณะที่เอาอาหารเนี่ยวางไว้บนปากเท่านั้นก็ก่อตั้งรูป8ดรูปขึ้นสร้างรูป8ดรูปขึ้นเช่นเราอ้าปากขึ้นใช่ไหมก็เอาคําข้าวอาหารตั้งใส่ไปในลิ้นพอไปตั้งอยู่ในลิ้นในปลายลิ้นเท่านั้นแหละก็จะสามารถทําให้รูป8ดรูปตั้งขึ้นทันทียังไม่ได้เคี้ยว รูปตั้งขึ้นแล้วส่วนคำข้าวแต่ละคำที่ฟันเคี้ยวให้ละเอียดกลืนลงไปจะก่อตั้งรูปคำละ8ดรูปทั้งนั้นให้นึกอย่างนี้เคี้ยวครั้งหนึ่งได้รูป8ดรูปมีโอชาเป็นที่8ดเคี้ยวแต่ละครั้งได้โอชาเป็นที่8ดเคียเยนะเค้ยวแต่ละครั้งได้โอชาเป็นที่8ปดบทลงไปไม่ใช่นั่นแหละเนี่ยเคี้ยวแต่ละครั้งฉะนั้นวาการเคี้ยวแต่ละครั้งเนี่ยเขาสร้างวิตามิน สร้างวิตามินใช่ไหมเพราะในวิตามินนั้นน่ะในวิตามินที่อยู่ในคําข้าวที่อยู่ในอาหารนั้นต้องผ่านการบดพระพุทธเจ้าบอกบอกว่าอย่างไงบอกว่าเวลาเคยสังเกตเคยสังเกตคนบางคนเนี่ยเคี้ยวสองครั้งสามครั้งกลืนเลยก็บอกว่าถ้าเคี้ยวถ้าเคี้ยวมากเดี๋ยวไม่อร่อยเออเออใช่มันจะอิ่มทนพระโอชาเข้าสู่ร่างกายได้เยอะพวกเราเลยศึกษาเอาแค่ว่าให้ได้วิตามินมอกๆอันนั้นต้องได้ด้วยเนะ่ แต่ส่วนอย่า ง, า ง, ต, งต่อไปต้องกําหนดรู้รายละเอียดมากไปค น, นศึกษาว่ารมของพระเจ้าส่วนนี้ทําได้เอาไว้ก่อนเนะส่วนไหนยังไปไปถึงวางไว้วางไว้ส่วนคําข้าวแต่ละคําที่เคี้ยวลงไปนั่นแหละเนี่ยคือลงไปก่อตั้งรูปแปดรูปเท่านั้ น, นทั้งนั้นนะกาวริงกราหานนารูปมีโอชาเป็นที่แปดมาให้อย่างนี้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ว่า ทุกคําเคี้ยวที่เราเคี้ยวที่เราบดอาหารลงไปก็ให้รูป8ดรูปนี้ตั้งขึ้นส่วนภาษาอาหารคือภาษาที่จะให้เกิดเวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็จะนำสุขเขเวทนามาให้ภาษาที่จะให้เกิดเวทนาทุกขเวทนาก็จะนําทุกขเวทนามาให้นะภาษาที่จะนําอาทุกขมสุขเวทนาก็จะนําอทุกขมสุขเวทนามาให้โดยสรุปคือว่าภาษานั้นเป็นปัจจัยหรือนํา สุขเวทนามาให้ก็มีนำทุกขเวทนามาให้ก็มีและนำอทุกขมสุขเวทนาคืออุเบขาเวทนามาให้ก็มีฉะนั้นในชีวิตประจำวันให้สังเกตดูที่ว่ารูปรูปเดียวเนี่ยนะรูปบางรูปให้สุขเวทนาบางรูปให้ทุกขเวทนาบางรูปให้อุเบขาเวทนาในขณะที่เรามองเนี่ยพอรูปนั้น รูปนั้นเข้าสู่ครองของทวารจะขุดทวารเป็นต้นเนี่ยเขาให้ทุกเวทนาบางรูปให้สุขบางรูปให้อุเบกขาเสียงที่มากระทบทางโสตประสาทก็เหมือนกันอาจจะเสียงชมเสียงด่าเสียงยกย่องสรรเสริญเสียงดินทาอะไรก็แล้วแต่ให้สังเกตีเขาให้เวทนาที่แตกต่างกันออกไปในกลุ่มของสัตว์โลกที่พิจารณาได้ดีก็จะตรวจสอบเวทนาเหล่านี้ได้ดีนในทวารทั้งหได้แต่ถ้าไม่ละเอียดไม่มีสติสัมปชัญญะในการ รอบรู้จริงๆก็จะไม่ค่อยรู้ว่าวันวันหนึ่งนั้นน่ะผัสสนี้ให้เวทนาอะไรแกเราบางทีศึกษาแล้วรู้แล้วใช่ไหมสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วเบคขาเวทนาบอกรู้แล้วจะให้อะไรมารับเท่งนั้นเลยถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้คอยรับสิ่งของแต่เขามีข้อม้รับสิ่งของว่าสิ่งของที่รับนั้นน่ะเพื่อจะเอามาเป็นของเราถ้าเรารู้ว่าสิ่งของของนั้นที่เรารับนเราจะรับมาเป็นของเราเนี่ย เมื่อใครยื่นอะไรมาให้เนี่ยเรารับหมดเลยว่าเรามีการเฟ้นไหมเฟ้นใช่ขนาดสิ่งของเพราะเราเห็นเป็นประโยชน์ปัจจุบันใช่ไแต่เวทนาที่มาให้เน่เมื่อให้สุขเวทนาถามว่าถ้าไม่กำหนดให้ดีอะไรจะตามมาราคาจะเกินจะตามมา ถ้าหากว่าผัสสะนาทุกขเวทนามาให้ถ้ากําหนดไม่ดีแล้วโทมนัตจะตามมาหรือถ้าหากว่าผัสสะเป็นปัจจัยเกิดอุเบกขาเวทนาถ้ากําหนดไม่ดีแล้วเนี่ยโมหะก็จะตามมาแล้วก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็ทํากรรมลแล้วต่นี้เข้าใช่หมจิเลศเกิดแล้วทํากรรมไหมทากรรมแล้วได้วิบากไหมวิบากนั้นใครเป็นคนรับเราอีกแล้ว ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้วะเนี่ย <c oughs> ต้องคิดให้ถูกตรึกให้เป็นถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้กุศลในชีวิตประจำวันนะเพราะเราจะต้องอยู่กับเวทนาตอนนี้ออกจากเวทนาได้ไหมเมื่อออกจากเวทนาไม่ได้ก็ระวังเวทนาให้ถูก<ฮ>กําหนดรอบรู้เวทนาให้ถ <c oughs> ูกเวทนาเป็นสัจจะอะไรเออเป็นตัวกษัตริย์จะต้องต้องทําอะไรต้องกําหนดรู้ใช่ไหมโยมพี่ต้องรอกบกำหนดรู้ถ้าไม่ได้กําหนดรู้เสียหายนะ มโนสัญเจตนาหารคือกรรมที่จะให้เข้าถึงกามมาพบจะนำกรรมมพบมาให้ที่จะให้เข้าถ mmm. ึงรูปะพบก็จะนำรูปะพบมาให้ที่จะให้เข้าถึงอรูปะพบก็จะนำอรูปะพบมาให้ฉะนั้นมโนสัญเจตนาหารเนี่ยจะนำพบสามมาให้แม้โดยประกาศอะทั้งปวงเออพิจารณาอย่างนี้ก็น่ากลัวจริงๆกรรมเนี่ย ถ้าสมมุติถ้าเราทำอากุศลกรรมที่เกี่ยวกับโทสะที่เกี่ยวกับโลภะที่เกี่ยวกโมหะที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาก็จะนาพบสัตว์เดรัจฉานมาให้เอามอบให้คุณอยากได้มากเพราะคุณทำตลอดนี่แต่เขาจะมีการลงย ล, ลักอักษรขึ้นป้ายให้ด้วยออกใบประกาศรับรองให้ด้วยนะยมสมาร์ตรับรองติ <laughs> เพราะว่าทาอย่างนี้มาเนี่ ทีนี้กรรมที่เกี่ยวกันในเรื่องของจะทําให้ไปเกิดเป็นเปลญนะก็ยังมอบใบสการณิบัตรให้เลยจบเส้นไหนมาบกจุละเอกแล้วบอกจุละเอกแล้วนี่ทํากรรมแบบนี้มามกแลกไม่ได้อันนี้แลกไม่ได้ไ ด, ได้จุลโทมาแล้วทาไมต้องได้แบบนี้บอกไม่เอาไม่เอาไม่ได้เพราะคามอบให้แล้วเพราะมนโนสังเจตนาหาันทุกทางกายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมเนี่ยเขาจะมอบพบมา ทีนี้พบสมดูเหมือนงามนีถ้าไม่แยกแยะให้ละเอียดดูเหมือนดีใช่ไหมให้กามมาพบให้รูบประพบให้รวประพบให้เกิดเป็นมดให้เกิดเป็นสัตว์แต่ละชานให้เกิดเป็นอสุรกายเปรตสันนรกเสร็จเลยให้เป็นมนุษย์จริงแต่พิการนีให้เป็นมนุษย์จริงบ้าใบบอดหนวกเพราะอะไรเราทํากรรมยังไงวะทําเป็นติเหตุกะอุกฐะหรือเ่าใช่ไหมประเภทที่เป็นอกุโซเป็นกุศลด้วยเป็นสมนัติด้วยเป็นญาณสัมบยุทธ์ด้วย เป็นอสังคาริกด้วยแข็งแรงด้วยอะไรด้วยฉันทาวิรยิยะจิตตาวิมังสาสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นอุกฐาเลยวิบากก็ดีมากเลยนะแต่สําคัญว่าแหมเป็นติเหตุกะแต่เป็นโอมมะก ะ, ะไม่แย่เลยแต่เนี้ยก็ยังดีหน่อยก็ว่ายัางไงได้เป็นมนุษย์ถึงจะเป็นทวีเหตุก็ไม่เป็นไรถ้างั้นเอาทวีเหตุกะอมะกะเอากลุ่มพวกไหนพวกบาใบาบดเนื้อบอกโหยุ่งเลยบางคนบอกไม่เอาไม่เอาเด็ดขาด มโนจงเจตนาอาหารเขาจะมอบให้มอบพบนี้ใหแต่วิญญาณอาหารเหล่านั้นจะนําขันทั้งสามที่สัมประยุทธ์ด้วยวิญญาณเนั้นนะ่ะนะแล้วก็รูปอีก30รูปที่เกิดขึ้นด้วยสามารถแห่งสันตติสามมาให้ด้วยอํานาจแห่งโดยในแห่งปัจจัยมีสะชาติปัจจัยเป็นต้นในปฏิสนทิขณะตัววิญญาณอาหารเนี่ยเขาจะนําอะไรตัววิญญาณเนี่ยเขาจะนําเวทนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารละขันมา แล้วก็นำรูปประขันในรูปประขันนั้นก็แบ่งเป็น3ามกลุ่มกลุ่มละสิบก็เป็น30รูปกายยะทศกรทะะกราบสิวัตถุทศกกราบสิ แล้วก็ภาวะท่าศักดิ์กราบเสดิจรวมเป็น30สิรูปเออเกิดครั้งแรกนะมีรูปอยู่30ิรูปเนะี่ยเป็นกระละนั้นเนี่ย น, นั้นนะใครมอบให้ตัววิ ญ, ญญาณอาหารเป็นตัวมอบให้นอบนามะขันสี่เอานามะขันสามแล้วก็รูปมะขันอีกหนึ่งมาให้เพราะตัวเขาเองเป็นวิญญาณนะใช่ไหมตัววิญ ญ, ญาณนะหานนี่ก็ตัวมอบให้มอบภาระเหล่านี้ให้ อันหนึ่งในอาหารวาระเหล่านี้กุศลเจตนาและอกุศลเจตนาที่ยังมีอาสวะอยู่นั่นแหละกล่าวได้ว่าท่านกล่าวว่ามโนสัญเจตนาอาหารจะนําพบสามมาให้ปฏิสนธิวิญญาณนั่นเองท่านกล่าวไว้ว่าวิญญาณจะนาํานามรูปในปฏิสนธิขณะมาให้แต่อาหารสามอย่างเหล่านี้พึงทราบว่าเป็นอาหารโดยไม่แปลกกันเพราะนํามาซึ่งสัมบยุทธธรรมกับวิญญาณ น, นั้น และทำที่เป็นสมุดฐานแห่งวิญญาณ น, นั้นเออถ้าพิจารณาอย่างนี้เห็นว่ากุศลเจตนาอกุศลเจตนาในที่ยังมีอาสวะที่ยังละกิเลสไม่ได้ในกลุ่มพวกเราทั้งหลายที่ยังต้องทํากรรมแล้วก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดนี่เขาเรียกว่ากลุ่มของกุศลเจตนาและอกุศลเจตนาที่ยังมีอาสวะอยู่ ยังที่จะต้องไหลไปตามภพภูมิต่างๆอยู่ถามว่าเจตนาในการกระทำบุญในการศึกษาเล่าเรียนในการที่จะฟังว่าทำเป็นต้นเจตนาเป็นยังไงยังเป็นไปในภพเป็นไปกับอาสวะเป็นไปกับการที่จะต้องไหลไปตามภพภูมิต่างๆอยู่เนี่ยมโนสังเจตนาหารจะนำอะไรมาให้นำภพสามมาให้ใช่จะนำการมาพบรูปประพบอารูประพบวิญญาณก็จะนานามรูปนั่นแหละมาให้ เพราะเรายัางมีอาสวะในการทํากรรมอยู่นั่นเองไม่แปลกกันนะในจํานวนอาหาร4อย่างนั้นกาวลิงกรลาหารเมือ่อค้้มชูชีวิตไว้ย่อมให้สําเร็จด้วยการนํารูปมาเมือ่อค้้มชูชีวิตแล้วเนี่ยเขาเป็นปัจจัยในการที่จะนํารูปมาให้ดังที่บอกว่านําผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั่นแหละมาให้พรรษะเมื่อถูกต้องอยู่นั่นแหละย่อมสําเร็จแห่งการนําเวทนาถามว่าตราบใดยังมีการ สัมผัสถ้ามีการเห็นทางตามีไม้เวทนาจะไม่เกิดในขณะที่ได้สัมผัสทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจใช่เวทนาจะเกิดทุกๆขณะจิตเนี่ยเขานำเวทนามาให้ตลอดแต่พวกเราไม่่อยรู้ว่าเนี่ยดยภาษาเป็นตัวนมาให้ใช่ไหมศึกษากันมาดีแล้วนะบางทีท่องกันได้สอบผ่านแล้วนะแต่พอมาดูรายละเอียดล้วบอกไม่ค่อยชัดล มองเวทนาไม่เห็นถามว่าถ้ามองเวทนาไม่เห็นค่อยมองเวทนาที่ไปเป็นกับอมิตรเนีเช่นว่าเวทนาที่อาศัยสีเวทนาที่อาศัยเสียงเวทนาที่อาศัยกลิ่นเวทนาที่อาศัยรสเวทนาที่อาศัยสัมผัสถ้าจะมีความสุขเกี่ยวกับการนอนก็คือจะต้องมีที่นอนนิ่มๆนั่นแหละคือต้องอาศัยเหยื่อแต่อาศัยเหยื่อไม่ใช่เพื่อจะรอบรู้เนะเพื่อจะมัวเมาในเวทนานั้นถ้าอย่างงี้ไม่รอบรู้ที่สุดจริงๆก็ออกจากเวทนาไม่ได้ ออกจากเวทนานไมลูเพ่ออะไรรู้ไห ม, ไ ม, มอยากจะโลภไหมอยากจะได้สมยิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้ น, นอนจนชินแล้วก็เลยอยากจะนอนในกลุ่มนี้คือ ก, กลุ่มกลุ่มกุศลและกรรมไม่ถึงก็าามว่าอยากให้อยากให้ให <c oughs> เขาบอกถ้าใครมาตั้งเป็นพระราชาลาออกวันนี้บอกเอาแต่ต้องรับผิดชอบเนะื้ ต่้งใหเป็นพระราชาเลยบอกขอลาเดี๋ยวนี้เลยบอกเจ็ดวันไม่เอาโลยเจ็ดวันก็ไม่เอาอถามทำไมถ้าทำอะไรผิดพลาดจะยุ่งบอกขอไม่รับดีกว่าทาไมโอ้บุญไม่ถึงมีอยู่คนหนึ่งที่เคยเล่าหลายครั้งเลยเขาให้บ้านหลังให้ด้วยความเสน่หาเลยนะแต่หลังใหญ่เกินเคยเป็นคนจนๆเนี่ยใช่ไหมเสียค่าน้ำค่าไฟเ ข, ข้าไปผมไม่ไหวอา <c oughs> ถ้าในกลุ่มไปหลายคนถ้าใครบอกว่าเอาให้เครื่องบินลำ <c oughs> ถามว่าแล้วเศรษฐีแสวงหากันทัตายในเนี่ยใช่ไหม ถ้อย่างเราจะไม่มีบอกแต่คุณจะต้องสตาร์ทเครื่องทุกวันจะต้องติดเครื่องทุกวันติดครั้งหนึ่งเสียเงินเป็นหลายแสนนะต้องดูแลต้องซ่อมแซมรักษาต่อว่าต่อครั้งต่อวันเนี่ยบอกเออเราจะเอามาทําอะไรอยู่อย่างนี้ก็เรียกบุญไม่ถึงของเข้าใจนะที่นอนตรงไหนบางทีมันไม่ค่อยได้อย่าอย่าแปลกกันก็ไม่ต้องอาธิบายเยอะตรงนี้เข้าใจใไหมบางทีไม่ถึงจริงๆ บางคนบ้านใหญ่โตแต่เนิ่นไปนอนหลบอยู่กับโซฟาหลบแค่นั้นแหละอาหารอย่างดีกินไม่ได้นะ่ะกินไม่ได้นั่งมองอยู่นั่นแหละเสื้อผ้าอย่างดีที่สุดใส่ที่เก่าๆชื้นใจหน่อย <c oughs> คือประเภทที่ประเภทที่จเจริญกุศลมาไม่บริบูรณ์นะจเจริญกุศลมาไม่บริบูรณ์ <c oughs> คือในกลุ่มของบุคคลที่ให้ทานเนี่ยเวลาให้ทานก็ไม่บริบูรณ์ในการให้ก็จะเป็นแบบนี้ ก็เสวยผลของทานนั้นได้ไม่บริบูรณ์อย่างยกตัวอย่างเช่นสุนัขเนี่ยในที่เขาทําบุญไว้ดีเนี่ยแล้วเขาได้กินบุญของเขาได้สมบูรณนะ์บแบบไหมสมบูรณ์แบบไหมไม่สมบูรณ์หรอกนั่นแหละในกลุ่มของบุคคลที่เจริญกุศลไม่ถูกต้องก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนี่ศึกษาให้ดีจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปแต่คําว่าค่อยเป็นค่อยไปต้องเจริญขึ้นเรื่อยเนะกุศลต้องไม่หยุดอยู่และต้องไม่ถดถอยลงเนี่ยเขาเรียกว่า ภาษะนั้นนำเวทนามาให้นะให้สําเร็จกิจคือการนําเวทนามโนสัญเจตนาหารเมื่อประมวลมาอยู่นั่นแหละย่อมให้สําเร็จการเกิดในพบเขาประมวลอะไรมาให้ประมวลกามปพบรูปภพและรูปภพมาให้วิญญาณเมื่อรู้อยู่นั่นแหละย่อมให้สําเร็จคือการนํารูปในขณะปฏิทินที่มาให้ดังที่ได้กล่าวบอกว่าถามว่าอย่างไรอย่างนี้คือความจริงกวริงกาลาหารคือคั้มชูชีวิตอยู่นั่นเอง ในขณะที่ค้ำชูชีวิตนั้นจะให้สัตว์ทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการดำรงกายไว้เมื่อร่างกายนี้ถึงกรรมจะแต่งให้เกิดกรรมนั้นเป็นตัวแต่งให้เกิดจริงใช่ไหมรูปกายรูปขันเนี่ยถ้าถามบอกว่าโครงสร้างก็ดีเกี่ยวเนีได้รับการได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเนี่ยใครเป็นตัวให้มากรรมเป็นตัวแต่งให้เกิดแต่งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หัตยะเป็นต้นเนี่ยกลุ่มของกรรมม่ชรูปทั้งหลายนั้นน่ยกรรม กรรมนั้นเป็นตัวแต่งให้เกิดแต่ถามว่าอะไรลราเป็นตัวค้ำชูอะไรลราเป็นตัวค้ำชูให้กรรมไม่ทรูปนั้นนะตั้งอยู่ได้เก่าวลิงกราหารใช่ไหมเหมือนกับบ้านเนี่ยให้บ้านมาแต่ไอตัวเสาเป็นตัวค้ำชูบ้านอยู่ให้แต่บ้านให้แต่ตัวบ้านมาลักษณะอย่างนั้นหรือว่าต้นไม้เนี่ยมันขึ้นไปแล้วก็มีไม้คอยค้ำอยู่ไอตัวไม้ค้ำเลยคือตัวค้ำชูคือว่าให้เด็กๆมาคนหนึ่งเนี่ย จะต้องมีคนคอยเลี้ยงใช่ไหนั่นแหละอาหารเหมือนตัวตัวนั้นเป็นตัวคอยค้ำชูคอยเลี้ยงเพราะว่ากาลวาริงกาลอาหารค้ำชูไว้จึงดำรงอยู่ได้ด้วยการกำหนดอายุ1ิปีบ้าง20สิปีบ้างเหมือนทารกที่ทารกที่มารดาให้เกิดแล้วแม่นมก็ให้ดื่มน้ำนมเป็นต้นแล้วก็เลี้ยงอยู่จนดำรงอยู่ได้นานนั่นเองหรือเหมือนเรือนที่ใช้ไม้ค้ำเขาไว้พระพุทธเจ้าจึงตรัสเขาไว้นะ สมจริงตามพุทธพจน์ว่าขอถวายพระพรมหาบ่อพิษเมื่อเรือนจะล่มคนทั้งหลายก็จะเอาไม้อื่นมาค้ำไว้เรือนนั้นที่ถูกไม้อื่นค้ำไว้ทรงตัวอยู่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เรือนนั้นก็จะไม่ล่มฉันใดขอถวายพระพรมหาบ่อพิษราชสมผานเจ้าร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันนั่นแหละดำรงอยู่ได้เพราะอาหารอาศัยอาหารแล้วก็ดำรงอยู่ได้ถึงบอกว่าว่าดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหาร ยังไงถ้าพิจารณาโดยอย่างนี้ก็เว้ยตรงนี้นี่เราหน้าขอบคุณนะยืนเดินนั่งนอนอยู่ได้นั่งนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยอย่าลืมนะว่าอาหารเนี่ยเป็นตัวพยุงถ้าอาหารหมดเนี่ยคิดว่าจะนั่งบนเก้าอี้ได้ไหมเนี่ยไปกองอยู่ใด้เก้าอี้ต้งบอกว่าทาให้ดารงอยู่ได้อาหารเนี่ยถ้าอาหารหมดเนี่ยเนินแหลกอยู่ก้างล่างนั่นแหละออกไปไม่เป็นแล้วป้อนจะพยุงอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าดารงอยู่ได้เพราะอาหารเกาวดิงกระลาอาหารเมื่อจะค้ําจุนร่างกายรูป รูปกายนี้เนะี่ยย่อมชื่อว่างให้สําเร็จหน้าที่ของอาหารสําเร็จหน้าที่ของอาหารในที่นั้นคือการนํารูปมาให้และแม้เมื่อให้สําเร็จอาหารกิจอยู่อย่างนี้เกาลิงกราหานก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่รูปสันตติสองอย่างคือเป็นปัจจัยแก่รูปของอาหารที่ที่เป็นสมุนฐานด้วยแล้วก็รูปที่มีตัณหาและทิฏฐิถือเอาด้วย เพราะน้ขาสามารถจะเป็นปัจจัยให้กับเคขาก็เป็นสมูทฐานแก่อาหารเชรูปได้ด้วยและในขณะเดียวก็คือรูปที่ตัณหาและทิฏฐิถือเอาไว้ด้วยอุปาทินะติกายังจําได้ไหมเนี่ยโลกที่กรรมอันตัณหาและทิฏฐิยึดไว้ด้วยความเป็นผลใช่ไหมเป็นอารมณ์ของอุปาทานเนี่ยเพรนั้นตัณหาเข้าไปยึดรูปกายได้ใช่ไหมรูปขันธ์ในขณะที่มีผมอาหารให้ผมให้ขนให้เล็บถ้ากลุ่มของสัตว์เดรัจฉานก็คือให้เขาให้อะไรเขาเนี่ย ในที่สุดจริงๆแล้วเป็นที่ตั้งของตันหาหมะแท้จริงก็คืออาหารมันทําให้เกิดขึ้นมาได้กรวิริงวลาอาหารกรลาาร็ล่างเป็นต้นทําให้รูปนั้นนะทรง ส, สภาพอย่างนั้นได้ถ้าไม่มีอาหารจะรูปคอยประยุงคอยค้าจุนอยู่นี่นเขางาเป็นต้นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้แต่พิ่มีขึ้นมาแล้วเป็นที่ตั้งของตันหาหมดเลยมีตาก็เป็นที่ตั้งของตันหาทางตามีหูก็เป็นที่ตั้งของตันหาทางหูเป็นต้นนะ่ย มีตาไปอาศัยรูปเนี่ยไปยึดมั่นรูปมีตาไปได้ยินเสียงเออมีหัวไปได้ยินเสียงก็ไปยึดมั่นเสียงเนียโอ้ตัณหานี่อะไรมีไม่ได้เลยยึดไว้หมดของเราของเราของเราของเราของเรายึดหมดนัยนะรูปที่ตัณหาและทิฏฐิเนี่ยถือเอาไว้แล้วด้วยกาวลิงกัอาหารเป็นสิ่ง ท, งที่เป็นสิ่งที่ตามรักษากรรมมชรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่รูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานนั้นดำรงอยู่ได้เขารักษากรรมชรูปด้วยนะ ดังที่ได้กล่าวว่าถ้าไม่มีอาหารเนี่ยตาก็ไปไม่ได้เลยหูก็ไปไม่ได้จะหมูกลิ้นกายก็ไปไม่ได้คือว่าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีอาหารคอยค้ำจูนอยู่ส่วนภาษาเมื่อถูกต้องอารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของความสุขเป็นต้นอยู่นั่นแหละชื่อว่ามีอยู่เมื่อดำลองอยู่แห่งศาสตร์ทั้งหลายด้วยการหมุนเวียนไปแห่งสุ ข, ขเวทนาเป็นต้นถูกต้องเมื่อไหร่และสุ ข, ขเวทนาบ้างทุก ข, ขเวทนาบ้างและอุเบกขาเวทนาบ้างนะเป็นไปนะ มโนสัญเจตนาหานเมื่อประมวลไว้ต้องสามารถอะไรด้วยแห่งด้วยสามารถแห่งกุศลกรรมและอกุศลกรรมอยู่นั่นแหละคือในขณะที่เกิดกุศลอกุศลทางกายเป็นกุศลได้ไหมทางวาจาเป็นกุศลได้ไหมทางใจเป็นกุศลได้ไหมเขาเรียกว่ากายกรรมเป็นกุศลวจีกรรมเป็นกุศลและมโนกรรมเป็นกุศล และทางกายก็เป็นอกุศลก็ได้ทางวาจาเป็นอกุศลก็ได้ทางใจเป็นอกุศลก็ได้เขาเรียกว่ากายยากรรมที่เป็นอกุศลวจีกรรมที่เป็นอกุศลและมโนกรรมที่เป็นอกุศลนั้นเวลาอา ก, กุศลอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยชื่อว่าเขาประมวลมาแล้วชื่อว่ามีอยู่เพื่อดำรงอยู่แห<ม>่งสัตว์ทั้งหลายโดยการยังรากเง่าของพบให้สาเร็จเตรียมแล้นันนะ ยังรากเง่าของพบให้สําเร็จแล้วในขณะที่กุศลกรรมมากุศลกรรมเกิดขึ้นแม้บางทีนะถ้าคนมีความเข้าใจดังที่ได้กล่าวเนะี่ยแค่มองเห็นเนี่ยมองเห็นดอกไม้เนี่ยสีสีเนี่ยกุศลกรรมก็ตั้งแล้วในกลุ่มของที่มีกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิได้เนี่ยโอ้กุศลตั้งขึ้นเลยบอกเออบูชาธรรมะของพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะแค่นี้กุศลเกิดแล้ว ในกลุ่มที่ตรึกไม่ถูกพิจารณาไม่เป็ น, นได้บาปทั้งนั้นจะต้องเห็นพวกก็ได้บาปแล้วบางทีเคยเห็นแล้วเนี่ยคานวณออกมาได้เลยไหมคำนวณบุญและบาปผลบุญและผลบาปได้ไหมเห็นขนาดนั้นไหมหรือยังไม่เห็นขนาดนั้นยังไม่เห็นเลยเลยได้ยินเสียงสวดมนต์ก็คํานวณถึงบุญและบาปได้ไหมบอกเออเนี่ยเราได้ยินเป็นกุศลและผลที่การที่ตรึกพิจารณาและจิตแล้วก็น้อมเนี่ยจะเป็นบุญ เป็นอาสังคาลิกสัสังคาลิกในขณะนั้นแล้วก็ตึกวิจารณาว่าเออในขณะนี้มีความเข้าใจในพระธรรมของพระเจ้าในบทที่กําลังฟังและก็ที่พระท่านสาธยายเป็นต้นได้อย่างไรถ้าอย่างนี้ไหมคํานวณได้คํานวณวิบากได้เลยหรือในขณะเดียวกันในขณะที่กําลังจะทําบาปแล้วก็รู้ทันทีเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคนจะยั้งได้ตรงนี้ถ้ากุศลเกิดอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเขียนผลบุญและผลบาปด้วยแล้วก็กําลังกระทํำ บุญและทำบาปก็รู้ด้วยเห็นไหมก็เริ่มจะเข้าใจตรงนี้ถ้าถ้าตรึกไม่ทันตรงนี้ยุ่งนะพิจารณาไม่ทันตรงนี้จะยนะุ่งเพราะชีวิตจริงเราต้องอยู่ตรงนี้นะในขณะที่กำลังสนทนากันอยู่ใช่อ ะ, อะคำสอนหรือเปล่าเนี่ยมีประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ใช่คำสอนถ้าไม่มีประโยชน์ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นตายเปล่งออกมาด้วยอกุศลและจิตและวจีอะไรเนี่ยสุจริญหรือทุจริเอา้าทุจริ วจีทุจริตข้อไหนรู้ขนาดนั้นเลยพูดเท็จสอเสียดําหยาบหรือเพื่อเจ้อรู้กันไหมในกลุ่มที่เขาหรืจิตในขณะนี้เป็นอภิชาพยาบาทหรือมิจฉาทิฐีหรือเปล่าฮะรู้ถ้ารู้อย่างนี้รู้จักผลบุญและผลบาปรู้จักบุญและบาปไม่แปลกใจนะยอมสมานคนที่ทําการค้าคนที่เป็นนักธุรกิจทั้งหลายมองเห็นอะไรทุกอย่างแล้วก็เห็นผลกําไรแล้วก็กลุ่มที่พูดเจริญบุญได้ถูกก็ไม่แปลกพอเห็นแล้วก็ตรึกถึงบุญและบาปผลบุญและผลบาปได้ หรือเวลามาพิจารณาถึงอาหารก็กําหนดรอบรู้ได้ด้วยเขาเรียกว่าพระภิกษุเหล่านั้นถามท่านพระสาริบุตรว่ามีบ้างไหมช่องทางหรือประตูเนี่ยประตูแห่งอมตะในช่องอื่นที่นอกจากกุปสนกรรมบดอกุศลกรรมบดเนี่ยพระสาริบุตรมีนี่ที่กาลังก็คืออาหาร4ี่เราเรียนอาหาร4ี่มาแต่เราไม่เคยกําหนดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่กําหนดอย่างนี้เขาเรียกไม่รอบรู้ไม่รู้อริยสัตว์ในอาหารสี่ ส่วนภาษาเมื่อถูกต้องอารมณ์เป็นที่ตั้งของความสุขเป็นต้นนั่นแหละก็เชื่อมีอยู่เพื่อการดำรงอยู่ของสัตว์ทั้งหลายโดยการหมุนเวียนไปสู่สุขเวทนาเป็นต้นมโนสัญเจตนาหารประมวลอะไรออกมวนกุศลกรรมอกุศลกรรมนั่นแหละชื่อว่าดำรงอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายโดยการยังรากเงาของพบให้สำเร็จรากเง้าของกามาพบรูปพบและอรูปพบทั้งพบให้สำเร็จทีนี้วิญญาณล่ะเมื่อรู้อยู่นั่นแหละชื่อว่ามีอยู่เพื่อดำ so รงอยู่แห่งสัตว์ทั้งหลายโดยการเป็นไปของ นำมารูปทีนี้ไปพิจารณาของภัยของอาหารสี่ภัยของอาหารสี่เป็นยังไงดูสิเมื่อตะกี้ท่านสาธยาให้บอกว่าคุณของอาหารสี่เป็นยังไงเขาให้อะไรมาเมื่อพิจารณาดูแล้วเห็นด้วยความเป็นคุณหมดนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านกำลังให้พิจารณาถึงอัศทะคือคุณของอาหารทั้งสี่อย่างถ้าเราไม่มีอาหารเป็นคำคำชีวิตอยู่ไม่ได้เห็นไหมเห็นคุณถ้าไม่มีผัสสะเวทนาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีมโนสัญเจตนาอาหาร พทั้งหลายการเกิดในพบทั้งหลายมีอยู่ไม่ได้แต่ถ้าหากไม่มีวิญญาณอาหารเจตสิกและกรรมมใชรูปก็ตั้งอยู่ไม่ได้มองเห็นยังไงนี่เขาให้คุณต่อมาท่านภาษาริบุตรนําคําสอนของพระเจ้ามาขยายให้ดูบอกว่าภาษาริบุตรท่านสอนอสสาธทของอาหารทั้ง4ี่อย่างต่อมามาดูอาทีนวะกล่าวคือภัยของอาหารทั้งสี่อย่างเราเห็นคุณของอาหารแล้วต่อไปไปดูโทษของอาหาร การรู้อะไรเนี่ยถ้ารู้เพียงแค่คุณอย่างเดียวเนี่ยเสื้อเนียมีคุณอย่างเดียวเป็นไปได้มจริงจริงมีโทษด้วยไหมโทษยังไงมีโทษยังไงเห็นไหมโทษของเขาก็คือผุพังขาดเศร้าหมองตัดมาแล้วไม่ได้สมปรารถนาอะไรเป็นต้นเนี่ยนี่คือโทษนี่การมีผมก็มีคุณถ้าเราไม่มีเราเป็นโทษนี่แต่ถ้าเมื่อมีแล้วเนี่ยมันไม่ที่ยงเป็นทุกเนตานี่คือโทษของเขา เห็นไหมว่าการมองเห็นทั้งคุณและโทษนี้คือคํามสอนผู้เจ้าเนี่ยถ้าเราเห็นแต่อาสาธะอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกับว่าแล้คนนั้นดีนะเนี่ยคนคนนี้ดีหมดเลยนี่เขาเรียกพวกอยู่ในกลุ่มรุ่มหลงถ้าบอกุคนคนนี้เสียหายหมดในกลุ่มปฏิฆากลุ่มโลภะกับกลุ่มโทสะเนี่ยล้วนไม่ดีทั้งคู่เนี่ยฉะนั้นในด้านของภัยของอาหารท่านพระสารีบุตรบอกอาหาร4ี่อย่างเหล่านี้ที่ให้สําเร็จอาหารกิจด้วยสามารถแห่งการอุปธรรมเป็นต้น ถามว่าในอาหาร4ี่อย่างนั้นนะ่ะที่เขาให้สําเร็จก็คือว่าให้อุปธรรมเกวอริงกาอาหารอุปธรรมอะไรวิญญาไภาษาอาหารอุปธรรมอะไรมโนสัญเจตนาอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารก็อุปธรรมอะไร น, นั้นด้านคุณควรเห็นภัย4ี่ประการอย่างนี้คือในเกวลิงกาอาหารได้แก่ภัยโดยความไข่คือความอยาก ถามว่าให้พิจารณาดูเถิดเรื่องอาหารเนี่ยมีไหมที่เราจะเพียงพอต่อการที่จะไม่อยากอาหาร เ, เดี๋ยวกลับไปก็จะต้องไปให้อาหารนี่ไงวันนี้เรียนมาจนเหนื่อยเลยนั่งวังทำเครียดด้วยนัะแต่ว่าเครียดยังไงฟังไม่ก็จะทันบ้างอะไรบ้างเลยเครียดจัดเลยว่างั้นเนี่ยแต่กลับไปต้องหาอะไรหาอะไรหยอดหน่อยดูที่มันเป็นภัยเพราะอยากภาษาอาหารให้ภัยก็คือว่าเกี่ยวกับข้องแวะคือการติดนั่นเอง มีไหมที่ว่าไม่อยากได้สัมผัสที่ดีๆยิ่งๆขึ้นวะทางตาหผมอยากจะเห็นสิ่งนี้ก็อยากจะเห็นสิ่งที่มันดีๆยิ่งๆขึ้นวะได้เย็นเสียงสิ่งนี้แล้วก็บอกมีไหมไอ้ที่มันดีกว่านี้ยกลิ่นแบบนี้แล้วไหมอยากจะดูที่กลิ่นที่มันหอมที่มันละเอียดอ่อนยิ่งกว่านี้อาหารแบบนี้แบบนี้แล้วบอกไปมาหมดแล้วร้าอาหารเนี่ยอยู่โซฟานก็บ่งในโซฟาเนี่ไปชิมมาหมดแล้วมีบ้างไหมที่มันอร่อยกว่านี้เซาะดูเนี่ย มาสุพรรณก็ต้องหาร้านอาหารดีๆอร่อยอร่อยสัมผัสแหละมีบ้าไหมเพียงพออยากจะได้ยิ่งๆจะคล้องแวะอยู่เลยแหะคิดนึกเรื่องราวต่างๆแล้วยังไม่ชอบใจเลยหาอารมณ์ไหนนะที่จะเป็นเครื่องอยู่ในจิตใจของเราให้ได้ไปมาไปมาสู้นอนไม่ได้นึกไปนึกมาว่านอนมีความสุขดีกว่านอนไปนอนมาไม่ไหวสกแล้วถึงบอกว่าให้ความคล้องแวะคือให้การติด มโนสังเจตนาอาหารให้ภัยคือการประมวลมาคือการสั่งสมนั่นแหละประมวลอะไรมาให้ประมวลไอ้ประมวลวิบากมาให้อะทำกรรมแต่ละครั้งให้วิบากไว้เบ็ดเสร็จแล้วลองคิดดูทีนะเขาจะประมวลให้เบ็ดเสร็จเลยบอกว่าเอาละต่อมาเหมือนเราทํากุศลกรรมไว้มากเลยนะแต่คุณจะต้องอย่างยกตัวอย่างแค่กุศลกรรมอย่างเดียวนะ แต่อีกหลายล้านล้านชาติเนี่ยที่คุณจะต้องไปอยู่บ้านหลังนี้จะต้องไปเกิดเป็นภรรยาของคนคนนั้นจะต้องเกิดเป็นสามีของคนคนนั้นจะต้องไปเกิดเป็นลูกของคนคนนั้นจะต้องเกิดเป็นพ่อของคนคนนั้นจะต้องไปเกิดเป็นแม่ของคนคนนั้นจะต้องไปรับผิดชอบงานขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นเพราะบุญของคุณนี่แหละทำไว้ให้วิมานใหญ่โตแต่คุณต้องดูแลวิมานให้อะไรมาเขาเนี่ยฮะถ้าถ้าไปเกิดถ้าไปเกิดเป็นปวกก็ให้จอมปวกไปดูแลดีนะจอมปวกก็ทําด้วย ทำแล้วก็เดี๋ยวคนมาลื้อทำใหม่ทำมาคนมาลือ้อโอ้ยลำบากวิญญาณอาหารให้ภัยคืออะไรให้ภัยคือการตกลงจำเพาะคือการถือกําเนิดตกลงในอะไรเหมือนโดดลงในหลุมฐานเพิง โดดไปเรื f f ่อยๆเดี er? ๋ยวโดดลงพบนั้นเดี๋ยวโดดลงพบนั้นเดี๋ยวโดดลงพบนั้นสนุกไหมยอมสมสนุกมอ่ะไม่สนุกเลยเกิดอีกแล้วเรื่อยแต่คนมีตาดีทั้งหลายเอ้าเกิดอีกแล้วเดี๋ยวสามวันจะตายแล้วเนี่ยบางคนมีจริงๆเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวไปเกิดอีกแล้วเออเกิดตรงนั้นอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปโดดลงเหมือนขึ้นต้นไม้เอามีหน้าที่ขึ้นไปแล้วโดดลงเอ้าขึ้นลงไว้อีกแล้วโดดลงอยูขึ้นไปเจอต้นไหนขึ้นแล้วโดด มีอย่างเดียวมีหน้าที่ขึ้นต้นไม้กระโดดลงต้นไม้เจอต้นไม้ต้นไหนโดดบางเพราะเหตุหลายก็บอกเพราะสัตว์ทั้งหลายน่ะสร้างภัสร้างภัยก็คือความไข้ในกาวลินกราหารมุ่งหน้าต่อความหนาวเป็นต้นเพราะาเออในขณะนี้คือว่าทำการงานเนี่ยทำงานที่มีการนับด้วยหัวมือหัวแม่มือเป็นต้นเน่ยเพื่อต้องการอาหารย่อมได้ทุกมิใช่น้อยลองไปคิดดูวิชาคำนวณทั้งหลายเนี่ยบางคนนี่คิดเลขจนเจ็บมือแล้ว หาอาหารกินไม้มีอะไรแล้วคํานวณเนียบางคนก็คํานวณตัวเลขคํานวณอะไรต่างๆแต่ตามท่หยองเล่าอาจารย์ฟังเนี่ยกลุ่มเนี้กลุ่มคํานวณตัวเลขคํานวณเพื่ออะไรเพื่ออาหารเพื่อจะให้ได้มาเพื่อจะมาเลี้ยงสรีระของตนเองเลี้ยงสลีระของบุคคลอื่นเพื่ออะไรต่างๆเหล่านี้ยเพื่อให้สลีละร่างกายตํางเล็งดำลงอยู่ได้รต่างๆเนี่ยนั่งเครียดปวดหัวในขณะนั้นเน่ยเจตนากรรมไม่รู้เท่าไหร่เป็นทั้งอกุศลกรรมบ้ง กุศลน้อยมากและคนลางจำพวกถึงจะบวชในภาษาสนานี้เห็นหบอกถึงจะเข้ามาบวชบอกบางกลุ่มบางเหล่าถึงจะมาบวชในภาษาสนานี้ก็ยังแสวงหาอาหารโดยการหาที่ไม่สมควรมีเวชกรรมเป็นต้นจะเป็นผู้ถูกครหาในปัจจุบันเวชกรรมก็คือกรรมในการทำยาเเพราะก็ผิดไงบวชเข้ามาแล้วก็ยังดารงอาชีพในการดูหมอในการทายาในการอะไรต่างๆเหล่านี้ เพื่ออะไรล่ะเพื่ออาหารดูสิในะการสแสวงหาอาหารเนี่ยบางทีก็ทําให้จิตนั้นผิดพลาดไปได้วิปริตไปได้เพราะไปคิดว่าอาหารนั้นเป็นปัจจัยที่ทําให้ตนเองได้สุขคเวย์กันได้ความสุขด้วยความสบายนี่เป็นอย่างนี้ถึงในสัมปะรยาภพก็จะเป็นสั ม, มนาเปรตโดยในที่ก่ายไว้แล้วในลักษณะสังยุตเป็นอาทิแม้สังขาติของเธอก็จะถูกไฟไหม้ลุกโชนแล้วแล้วก็ด้วยความไข้ในกาวลิงกลาหานนั่นเอง เพิ่งทราบว่าเป็นภัยเพราะเหตุอย่างนี้ก่อนถ้านในดูในลัคนาสังยุทธ์นะก็จะไปพิจารณาเห็นกลุ่มเปรตทั้งหลายที่เป็นสมณะเปรตทั้งหลายเ น, นี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้ไหมในเรื่องของการว่าพอเข้ามาแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องการแสวงหาเข า, ขาเรียกอเนศนาการแสวงหาอย่างไม่ประเสริฐไปแสวงหาพบไปแสวงหาขันพบที่ไปแสวงหาก็ไปแสวงหาพบที่ต่ำไปคือการปฏิบัติผิดพลาดโอ้โหอย่าว่าเล มีหมดทั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทําไมพระเทวทัตจึงเป็นสัตว์นรกได้หนักกว่าเปรตที่หลวงพ่อใหญ่เล่ากัปปิระภิกโคเป็นนะเป็นตานั่นแหะคือบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นองจากสมณะปัญหาคือว่าอการรู้อ่าไฟหรือไม่ใช่ไฟเนี่ยพอจับแล้วมันร้อนหมดยังไม่มร้อนหมดให้รู้ตรงนั้นก็เลยถึงบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าทําไม ทำไมจึงต้องมาพยายามกล่าวนําคําสอนมากล่าวให้ตรงทําไมเราต้องศึกษาพระวิธรรมแล้วทําไมต้องศึกษาพิธรรมแล้วยังจะต้องมาดูในพระไตรปิฎกให้รอบรู้เพื่อเราจะได้ไม่เป็นเช่นนั้นทําไมเราจะต้องมาให้ทักทางถ้อยคืตัวเองอย่มั้งปรารถนาจะศึกษาคําสอนของพุทธเจ้าแล้วถามว่าถ้าไปบิดเบือนเนี่ย อะไรจะเกิดขึ้นเกิดตัวอย่างอายกตัวอย่างเช่นกัปปิราภิคูล น, นะที่หลวงพ่อท่านเล่าแบบย่อยๆเอาไว้อาไปทําอะไรท่านบวชในพระธรรมวินยัยแตกฉานในพระไตรปิฎกบางประการด้วยลาบสกาละครอบงามนั้นอย่างหนึ่งส่วนอีกอย่างไม่ใช่แค่ตนเองเท่านั้นนะในกลุ่มที่บุคคลไปถือผิดตามไปด้วยหมดเลยเขาเรียกว่าวาทะกันอนุวาทะคือการกล่าวตามอาจารย์เนี่ยอาจารย์กล่าวอย่างไรก็กล่าวตามอาจารย์อย่างนั้น บางทีอาจารย์ผิดก็ไปกล่าวตามอาจารย์ที่ผิดก็ตามกันเลยที่สุดจริงๆน่ะแม่ก็กล่าวตามลูกแม่ไปเกิดในเวจี A G มานลูกส่วนลูกนั้นน่ะเป็นต่างเงินปลาทองเนี่ยเดยเป็นปลาทองเนี่ยตัวยังใหญ่คนห้าร้อยคนน่ะถามมาใช่หถามมาเฝ้าพระพุทธเจ้าปลาอะไรใหญ่มาโหรานขนาดนี้พอมาต่อหน้าพระพุทธเจ้าคนมากันเยอะไปไปมาพระพุทเจ้าก็บอกว่าเธอเชื่ออะไร บอกว่าชื่อกาพีราพิคุะเจ้าค่ะทําทกรรมอะไรมาในสมัยพระกัสป่าสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าแตกฉานในพระไตรปิฎกมีเจตนาในการบิดเบือนพุทธพจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยลาบสการะครอบงําพี่ชายของเธอไปไหนเป็นพระขี่นาศบลุเป็นพะนรนพะลรหันแล้วแม่ไปไหนลงเอเวจีเธอละอัตภาพนี้แล้วจะไปไหนจะไปเอเวจีพระเจ้าค่ะ เอาหัวโขกระดงเรือแล้วก็ไปเอาเวจีเดี๋ยวนี้ยังไม่โผล่เลยเห็นไหมโทษการบิดเบือนคําสอนไม่ได้หรอกทําไมถึงมีโทษขนาดนั้นอัดคําสอนของพระเจ้าหนึ่งอัดที่ผิดพยัญชนะผิดไหมอัดผิดพยัญชนะผิดเมื่อผิดแล้วในความเข้าใจในคําสอนนั้นผิดไหมเมื่อผิดแล้วเนี่ ย, ใใยปฏิบัติตามแล้วจะได้บรรลุไหมไม่ได้คําสอนของพระเจ้าเพราะคําสอนของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่คํำเดงก็ายอมสมานตั้งแต่สมบูรณ์ด้วยอัตถะ พร้อมด้วยพ ย, ยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคาสอนของพระเจ้าสมบูรณ์อยู่แล้วใครอย่าไปเติมนะใครไม่ต้องไปต่อประโยคใหม่หรอกมีอยู่แล้วหมดไม่ต้องเอาคําพูดเรล่าๆนี่ไปต่อนะมีพระไตรปิฎกอยู่มีพระไตรปิฎกมีพระอภิธรรมเปรียบเทียบอยู่นะเนี่ยก็อย่าไปเอามาเป็นประมาณคืออย่างนี้ยอมห่วงตัวเองก่อนห่วงตัวเอง<ม>ก็ก็ห่วงตัวเองก่อนก็หากลยานธรรมเตั้งระเบียบแรกนี หาบุคคลที่มีความรู้เพราะว่าจริงๆตรงนี้ต้องต้องรู้ประโยชน์นะพยายามศึกษาเนี่ยศึกษาบางทีมีคนมาถามยันนจะบอกว่าโทษของการเกิดไม่รู้จะออกอยังไงใช่ไหมบางทีก็แต่ก่อนฉันเองก็วิ่งไม่รู้เท่าไหร่คืออย่างนี้นะพยายามฟังให้มากๆศึกษาศึกษ า, กษาคำสอนแล้วก็ฉันถามอย่างนี้นะถา ม, าถามาว่าพระเล้ ต้องอาบัดแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังบรรลุธรรมไม่ได้